หน้าที่สามร้อยสิบเก้าบางเล่มก็ไม่เหมือนกันนะพร้อมอยังพร้อมอยัง <c oughs> م ؤ م ن فلا يخافُ ل م و ولا ح ظ م ا وكذلك أنزلناه قرآنا ع ر ب ي وكذلك أنزلناه قرآنا ع ر ب ي ا وصرفنا فيه من الوعد ل ع ل لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذ ك ر لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعال الله الملك الحق ولا َ تعجل بالقرآن من قبل من قبل أي قضاء ليك وحيه، و ق و ب ن ي م ا و ق ل رب زدني علما. ولا قد عهدنا إلى آدم من قبل. ولم نله ولم نجد له عزم. ว่าอิดกุลนาลิลมาลาอิกัติสจุดูลิอาดัมฟาสัจดูอิลลัอิบริสอับบะฟาสัจดูอิลลัอิบริสอับบะัสมิลาฮุลราะ อินน์ลฮฺมดฺลิลลาห์นะหฺบันุห ن, ن, ن, ن س ا س ت ع ئ ن ุหฺ وناستغفِرُ وناعوذُبِاللهِ مِن شرورِ أ َ م ْ ف ُ س ِ ن َ ا وَمِن سَجَّاءَتِ أَعْمَالِنَا مَيَّاهِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّةَ وَمَا يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَةَ وَأَشْهَدُ أَلا إ ا ل ل ه, ه, إ إ الله و ه, ه, ه و ح ْ لَا ش ِ ي ك ل َ ه َ أ َ ش َ د أ ن ّ م ح د ا و َ ر س و ل اللَّهُمَّ ب وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ ا, ن ا, ن ا, ن إ ل ن ُّ ش ُู ر ์ أعوذ َُُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِن ْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ م َ عَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا ء ِ وَهُوَ ا ل س َّ م ِ ي ع ُ ي ي ا ل ْ عَلِيمٌ รดีต ل و و ا ิลล ر ห์รั ا ل ์วบ ا ลิสลาม ل ีน م าวบิมุฮ ا มมัด م ัสูละอาลลอฮุมะอินีอาอ ل บุคบินัลคาสลีวสุอิลคิบร ا รับบ์อาอุบุคบ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาต์าะ เวลาสุบฮ์ที่รักทั้งหลายครับขอบคุณอ AH ัลลอฮุ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮ์ให้เรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วอัลลอฮ์ก็ให้เราตื่นการนอนการตื่นเนี่ยเป็นเครื่องหมายของตายแลว้วก็ฟืน้นเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าคนคนตายอยู่นอนอยู่ในกุบัวเหมือนนอนบนที่นอนนี่แหละ แล้วกับการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งหลังจากตายกันหมดแล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้ฟื้นขึ้นทุกคนตายเท่าไรก็ฟื้นเท่านั้นขอบคุณอัลลอฮ์ต้องอ่านดวงอาขอบคุณอัลลอฮ์บนที่นอนนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัลฮียานาบะดามะอามัตานาวะอิไลฮินูชูรขอบคุณอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ Allah ให้เราหลับไปแล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้เราฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งทุกคนต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์ س ب ح ا ن นและวะตาแล้วขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์ให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสได้อ่านอัลกุรอานทบทวนอัลกุรอานวันนี้มาถึงสูร์กอฮานะครับ สุรตต์ฮามาถึงอายะที่112เราใช้เวลาประมาณ20 20ปีแล้วนะครับอ่านคุรานสม่าเสมอไม่เยอะวันหนึ่งประมาณ5อายะบางทีก็4อายะ5อายะวันนี้5อายะอายะที่112ถึง116นะครับ เ, เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านกุรานอายาที่หนึ่งรอยสวอว่ายังไงนะวานาอาติลูยุลิลฮลกิยุมว่ก็ด้ข้บัมันฮามะละซุลมะมาดูคาแปลอันัตอันัตแปลว่าแปลว่าสยบ แปลว่าสยบหูยูแปลว่าใบหน้าใบหน้าของมนุษย์หลังจากฟืน้นคืนชีพมาแล้วขณะที่ทุ่งอยู่ที่ทุ่งมชัชชานั้นใบหน้าของพวกเขานั้นสยบต่อพระผู้ลิลไหยผู้มีชีวิตอัลลอฮ์เนี่ยมีชีวิตแล้วก็ไม่ตายอัลกอยุมอัลลอฮ์ดำรงอยู่เป็น อยู่ไปตลอดเนี่ยไม่นอนด้วยแล้วก็ไม่ง่วงนอนด้วยมันเหมือนพวกเราพวกเราเนี่ยง่วงนอนแล้ว <c oughs> ไปดูไปดูไปดูอัลลอฮ์นะไปเห็นหน้าอัลลอฮ์ในวันนั้นไม่เคยนอนเลยทั้งชีวิตแล้วก็ไม่ตายด้วยคนคนที่ไม่นอนเลยเนี่ยเป็นยังไงไอเราเนี่ยไม่นอนวันเดียวเนี่ยเป็นไงสองวันเป็นไง <c oughs> หน้าเ น, น, นื้อโห์แสดนอัลลอ์เนี่ยมีสิทธิ์ไม่ไม่ตายแล้วก็ไม่ง่วงนอนแล้วก็ไม่นอนกุารานตรงไหนลาตฮูซินาตูวาลานอ์แปลว่าไรการง่วงนอนหละการนอนไม่เอาอัลลอ์เข้าไม่ถึงอัลล์แต่เข้าถึงพวกเราทุกคนนะครับอานัต อ่านติลวูจูอธิบายยังไงในทัศน์ภาษาอูรดูเนี่ยอ่านบอว่าลัมบีกัรดันคนที่คอยาวๆบนโลกดุนยาเนี่ยคว่าคอยาวอธิบายยังไงคนที่เยอะยิงจองหอมอวดดีเตะท้าเดินไม่มองใครเลยไม่สลับกับคนเขาเรียกคนคอยาวคนคอยาวเนี่ยในวันนั้นน่หมดท่านั่งสยบกันหมด ผัวมาถึงฟาโร่ด้วยวันนั้นหมดสิทธ์นั่งนั่งสยบกันหมดเลยเห็นไหมต่อหน้าใครต่อหน้าอัลลอฮ์สุบฮานาบูฮฺตาลาผู้ไม่ตายผู้ไม่นอนผู้ไม่ง่วงนอนวก็เคอบ้มันฮามาละซุลมาแน่นอนยิง่งฮามาลาแปลว่าแบกคอบ้าแปลว่าล้มเหลวหรือผิดหวังซุลมาคนที่ มีมีความชั่วมีชีริกมีความอาธรรมติดตัวไปฉะนั้นคนที่แบกหรือคนที่พาชีริกติดตัวไปคนที่ทําชีริกเนี่ยนะบนดุนยาเนี่ทําชีริกทําชีริกจนกระทั่งตายนั่นเท่าเขาแบกชีริกติดตัวเข้าไปเนี่ยพอไปถึงวันเกียร ม, มาเป็นไงครับคอบะเป็นคนที่อะไรนะลมเหลวผีดหวงัง แลแบกไปทำไมไหลอของที่ไม่ดีนะ่ะอย่าแบกของไม่ดีติดตัวไปแล้วทำไงจะให้มันหลุดต้องเตาบ้าตัวก่อนที่เราจะตายนะครับนั่นอยอายาที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอามาดูวันนี้อายาที่หนึ่งรอยสิบสองฟมามัยยะว่ามัยยะมันไม่หน้าใ วะฮ์วะมุ่มนุ um ่ม فلا يخاف ظلم ولا هضمة وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَ وَلَا ه َ ض ْ م َ ة الحمد لله นี่เรื่องของเรา อาย่านี้อธิบายในเรื่องของเราคนที่ทําความดีคนที่มีอามันที่ซอนและติดตัวไปเป็นยังไงอายาที่ผ่านมาแบกความชั่วติดตัวไปอายานี้แบกของดีติดตัวไปเป็นยังไงวะไม่ยากมัลผู้ใดก็ตามมันแปลว่าใครก็ตามผู้ใดก็ตามยากมัลแต่ว่าปฏิบัติ มีนอซอริฮัสการดีทั้งหลายข้อที่สเตือนเรื่องยันนำมีแน่ไฟนรกมีจริงจะพูดเรื่องนี้สามเรื่องนี้สม่ำเสมอหนึ่งวันกิยามานาะแล้วก็การลงโทษในวันกิยามามีนาะและไฟนรกมีจริงนะพูดย้ำไปย้ำมาเตือนอะไรในตำสิทิ์หลายหลายเทพอธิบายอย่างนี้ อ่ะทีนี้คนที่นึกโลกอาคิอรอเยอะๆเนี่ยดีไหมดีอย่างพวกเราที่นั่งเรียนเติมซิกกันเนี่ยนั่งอ่านคุรานเนี่ยถ้าหัวใจของเรานึกถึงโลกอาคิอรอเยอะๆนี่นะดีหัดย์สอนอย่างนี้นบีสอนว่าใครที่ทํางานบนโลกดุนยาแล้วก็เนียดของเขาเพื่อโลกอาคือรอคําว่าหนึ่งเพื่อให้อัลลอฮ์เพื่ออะไรนะเพื่อ อ, อีมาน เพื่อรอรอรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์หวังความโปรดปรานจากอัลลอ์ว่าใจนึกถึงลูกอาครสา์ตลอดเวลาเลย เ, เช่นยกยกตัวอย่างคนที่เดินมาเนี่ยจากบ้านมามัสยิด ต, ตอนเดินออกจากบ้านมามัสยิดนึกอะไรท่านนึกถึงอาครอา์แห่งนึกแบบนี้นึกถึงฮะดีษสังคุทานนาบีใครที่ บัชชิริลมัชาอีนจงแจ้งข่าวดีกับผู้ที่เดินอิลลมาซายิดิฟิซุลามีเดินมามัสยิดในที่สามที่ตอนกลางคืนเวลามากริบเวลาอิชาเวลาสุโบบินูริตามเขาจะได้รัสมีที่สมบูรณ์ในวันกียรมนินี่ถ้าเราเดินออกจากบ้านมานึกอย่างเงี้ยอย่ารอฉันออกมาจากบ้านวันนี้ขอ รางวัลเป็นรัศมีที่สมบูรณ์ให้ฉันจริงๆตุยาอัลลอฮ์ข่าว่าเดินมาอร่อยไหมอร่อยเดินมาอร่อยจริงๆแต่ละก้าวแต่ละก้าวอีกใช่ไหมแต่ละก้าวก้าวหนึ่งลดโทษก้าวหนึ่งเพิ่มความดีอัลลอฮ์อยากเดินไหมเนี่ยฉนั้นทําความดีบนโลกดุนยาใจถึงนึกถึงโลกอาคีรออัลลอฮ์อักบะด รวมไปถึงภรรยาที่อยู่ที่บ้านด้วยกันก่อนก่อนก่อนจะนอนอ่ะทำอะไรแปลงฟันเห็นไหมหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อาบน้นํานมาสแล้วก็ตัดปัดที่นอนแล้วก็ยกมือขึ้นอ่านทําตามสุนนะานาบีแล้วก็ใส่เครื่องหอมก่อนนอนเล็กๆน้อยๆหรือหอมทั้งตัวเลยทำจลิงละ่ะทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์แต่สามีอยู่ชื่นใจ ได้ดักยังได้สองอย่างอัลลอฮ์พอใจด้วยแล้วก็สามีก็พอใจด้วยแล้วสามีก็ต้องต้อ ง, อ ง, อ ง, องสะอาดด้วยไม่ได้ไม่ได้แปลงฟันอัลลอฮฺอักบารต้องอาบน้ําน้ ำ, นำาดทาทั้งหมดนั้นนึกถึงโลกอาคีรอเยอะๆนี่ไงฉันคนที่ทํางานบนโลกดุนยาแบนี้แต่ใจของเขานึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงโลกอาคีรออัลลอฮฺอักบารอัลลอฮ์จะขจัดความกลัวออกไป Allah จะขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจแล้วเอาอะไรมาแทนรู้ไหมเอาความสงบอืมเอาความอบอุ่นเอาความสงบมาแทนเรื่องกลัวไม่มีนะครับนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะสองสามข้อเดียวกันเอาต่อมาครับต่อมานะ ละอัลละหุมยัตตะคุลคนที่อ่านกุรานี่นะอัลลอฮ์ต้องการให้คนอ่านกุรานเนี่ยได้อะไรละอัลละหุมยัตตะคุลเพื่อเขาจะได้สำรวมตนจากความชั่วนี่อายานนี้สอนนะคนที่อ่านกุรานแล้วรู้ว่ากุรานเป็นภาษาอาหรับถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์แล้วก็เตือนเรื่องนรก เตือนเรื่องวันเกียร์มาเตือนเรื่องการลงโทษในวันเกียร์มามีจริงเนี่ยเราได้อะไรอายานี่สอนเราได้สองเรื่องอเราได้สองเรื่องคนที่อ่านกูนอ่านได้สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งยัตจากูนได้การสํารวมตนต่ออัลลอฮ์อ่านกูนอ่านอย่างเนี้ยอายานี่พออ่านสํารวมตน إ ي م านมันเพิ่มเรื่องที่สอง อ, อ, อูยุฮดิสุลาฮุมซิครอยุฮดิสประบอกให้เกิดเกิดจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์พูดแรงนะคนที่อ่านกุณอานจะพิจารณากุณอ่านเนี่ยหนึ่งได้สํารวมตนต่ออัลลอฮ์ได้ตักวาข้อที่สองอยุฮดิสุลาฮุมซิครอก่อให้เกิดข้อตักเตือนเป็นกา ร, รําลึกถึงให้นึกถึง นึกถึงเนี่ยภาษาไทยว่างี้นะเป็นการสำนึกตนได้ข้อสำนึกกับได้ข้อสำรวมได้สองข้อนะขึ้นดสอหมดละสำรวมกับอะไรนะสำนึกท่านคนที่อ่านกุงอ่านแต่ละอายะห์แต่ละอายะห์ะะนะอลัลลอจะเตือนให้คนคนนั้นเนี่ยได้สองข้อด้วยกันหนึ่งสำรวมปกป้องตนเองระวังตนเองจะไม่ทําบาป แตอีกข้อหนึ่งสำนึกนึกรออาจารย์นี่เร็วมากเลยดูสนนนินึกถึงคนนั้นนึกถึงนึกถึงตัวเองก่อนดีกวา่าใช่ไหมตัวเล็ ว, ว่าอา่อานกูนอ่านได้ได้ได้กี่อย่างนะได้สองข้อหนึ่งได้สํารวมตนจากความชั่วสองได้สำนึกดีไหมเอาทำอยู่ลยเลยน้องอ้าวคำอธิบายอายาณ์นี้อธิบายได้หลายประเด็นประเด็นที่หนึ่งกูนอา่านเนี่ยนะ มีคือในศาสนาอิสลามเนี่ยมีข้อเด่นๆอยู่เจ็ดเรื่องด้วยกันในศาสนาอิสลามเนี่ยนะมีข้อเด่นๆอยู่เจ็ดเรื่องเรื่องที่หนึ่งภาษาในโลกนี้ภาษาที่เขาเรียกว่าอัชรอฟุลลูกภาษาที่ประเสริฐที่สุดภาษาที่ดีที่สุดนะครับที่ดีที่สุดคือภาษาอะไรภาษาอาหรับ ท่านพี่น้องทุกคนเราเนี่พูดอาราบกันทุกวันนะในนมาตพูดหรือเปล่าอัสลามพูดเอาวพูดอาราบทุกวันมีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คณะหนึ่งนั่งอยู่บนรถไฟต้องการจะโชว์เราเนี่พูดภาษาอารับเก่งมันอ่านอายะฮุ์คงอ่านต่อกันะอินนาอัตอยนากะละกาวซัตก็ต่อฟาะซ้อนเล่นรอบเด็กกวาดัดอีกคนอินนะชาห์เนียกอูบลอับตัด แม่คนแข็มก็นั่งฟังในมุสลิมนี่เก่งจริงๆผมใช่แล้วอ่านกุรอานบนรถไฟฉะนั้นกุรอานนะครับภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ดีที่สุดเอ้าข้อที่สองคัมภีร์คัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดวันนี้สรุปแล้วว่ากุรอานเป็นคัมภีร์ที่ดีที่สุด คำพีจากอัลลอ์ที่มาจากอัลลอ์น่ะถูกบิดเบือนหมดแล้วถูกสังคยานาหมดแล้วเหลือคำพีร์กุรอานอยู่เล่มเดียวที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไขสังคยานาจึงเรียกว่ากุรอานอัชรอฟุลกุตุบเป็นคำพี์เป็นหนังสือที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดข้อที่ส <c oughs> านบีทั้งหมดที่มาในโลกนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่นะตามกุรอานเล่าอะยี่สิบหท่าน นบีที่อัชรอฟรุรุสุลรุสูลที่ประเสริฐที่สุดคือนบีใครนบีมุฮัมมัดลลอลาฮวสซัลลัมนะครับนี่เรื่องที่สามนะนะเรื่องที่สียิบรีลเป็นมาลาอิกะมาลาอิกะมีทั้งหมดนับจำนวนไม่ถ้วนนะแต่ว่ามาลาอิกะที่ดีที่สุดก็คือยิบรีลอัชรอฟุลมาลาอิกะเป็นมาลาอิกะที่ ที่อะไรซูเปอร์มลายการเลยนะที่ดีที่สุดไม่มีใครเท juego, leaving, ียบเท่ามลายการยิบรีเพราะว่าเวลาลงมาลงมาหาแต่นบ au. ีนบีนบีนบีน <père> บีนบีพวกยะฮูดีเนี่ย <relaxation> ด่า <Soci> ย <canvi utiliser> ิบรีด่าด่ามลายการเพราะยิบรีเนี่ยเคยเอาเอาบาลามาเหมือนกันเอาบารามามือนกันนะครับแล้วก็ส่งมลายการมาบางท่านมาพิกเมืองนั่นน่ะ เดซปัจจุบันเนี่ยชาตมัลลิก่กีองค์หรือเป่าองค์เดียวกระแทบปุ๊บปุ๊บป๊บสามสีทีเรียบร้อยศาสนาอิสลาที่ผ่านมาเนี่ยมัลากี่องค์องค์เดียวนั่นยังไปเล่นนะ่ะทําเบาๆก็รอดไม่ได้นะฉะนั้นยิบรีนเป็นอัชระพุลมมลาอีกะารของดีๆในศาสนาอิสลามมีอยู่เจ็ดรายการหนึ่งภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ดีที่สุดกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ประเสริฐที่สุด มลายิกายิบรีนเป็นมลายิกาที่ดีที่สุดสถานที่ที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้อยู่ที่ไหนท่านมุกกามาจาโรร้อนเนี่ยมักกะเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺสถานที่อัชรอฟุลมาการสถานที่ที่ดีที่สุดอ้าวเดือนในโลกนี้ปีหนึ่งมีกี่วันมีอยู่กี่เดือนสิบสองเดือนเดือนไหนดีที่สุดรอมฎอนอัชรอฟุลซะฮ์ซะฮฺร เป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็อุมมะอุมมะของนบีมีเยอะใช่ไหมตั้งแต่อาดามนัวอิบรอฮิมอุมมะใครดีที่สุดนี่ไงอุ้มพวกเราที่นั่งยืนสุรานี้แหละแล้วก็ทั่วทั่วโลกเลยนะอุมมาติมุฮัมมัดอุมมาตุมมุฮัมมัดเป็นอุห ม, มะที่ดีที่สุดมีอยูุ่คใดนะเจ็ดรายการในโลกนี้มี ม, มีสิ่งมหัศจรรย์อยู่เจ็รายการเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นลกนะมึง หนึ่งในเจดก็คือทาชมาฮันแต่ของที่อัลลอ์รับรองเนี่ยมักกะใช่ไหมกุรานนบี ม, มุฮัมมัดยิบรีล อ, ลอัลลอฮุอะลลอฮะนั้นมุสลิมต้องต้องภูมิใจที่เรามีของดีๆที่สุดในโลกนะฉะนั้นภาษากุรานเนี่ยเป็นภาษาที่ดีที่สุดคือภาษาอาหรับแล้วก็ในสวรรค์นเนี่ยนะรู้ไหมคุยภาษาอะไรภาษาอะไร ภาษาอาหรับละหมยุลิลมีคนถามเราไปเรียนที่ไหนไมาตรงเรียนพอเข้าปั๊บได้ปุ๊บพอเข้าสวรรค์ปั๊บได้เลยภาษาอาหรับได้มาเลยอัลลอฮ์เตรียมไปเรียนรอยหมดแล้วละหมยุลิลอา้าวต่อมานะครับต้องว่าอาย่านี้ได้ความรู้ก็คือมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในโลกนี้ไอ้ไม่ใช่เด็บนโลกนี้ในศาสนาอิสลามมีอยู่เจ็ดรายการ ในโลกนี้ของเรื่องดุญยามันก็มีรายการดุลเคาอยู่แล้วนะที่ก็จัดกันอยู่อายะกุรานที่เราอ่านนี่นะครับเาต้องการให้เราได้กี่เรื่องนะสองเรื่องเรื่องอะไรบ้างหนึ่งได้สำรวมตนต่ออัลลอ์สองได้สำนึกตัวสำนึกตนต่ออัลลอ์คิดถึงอลัลลอฮ์เยอะๆนะครับเอาต่อมาอายะที่สม ف َ ت َ ع ا ل ى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أي ْ ك َ ى إليك وحيه وقرب ز ِ د ن عل ال ي علما فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أيقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما الحمد لله الله عن قرآن สบายใจพี่น้องเอามาดูคาแปล ف َ ت َ ع َ ا ل َ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ เอาแค่นี้ก่อน เพราะฉะนั้นตาเราอัลลอฮ์ Allah, นี่ต้องการจะศีลัตของอัลลอ์นะให้เราเรียนซีลัตของอัลลอ์บ้างนะครับอ่านจะเจอสีฟอัลลอฮ์ีองลลอ์มีอะไรบ้างครับตรงนี้หนึ่งตาละอัลลอ์ Allah ผู้ทรงสูงสุดยิ่งนี่ศีลป์อ า, านีนะข้อที่หนึ่งอัลลอ์ตาลอัลลอ์เนี่ยสูงส่งสิ ไม่มีใครสูงทัก้กะอัลลอฮ์แล้วเหนือกว่าอัลลอฮ์ไม่มีแล้วนะครับต่อมาอัลมาลิกอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นผู้ปกครองเป็นเจ้าของโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวอัลลอฮ์อัลมาลิกแปลว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นกาษัตริย์เป็นผู้ปกครองโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวอัลลอฮ์ไม่นอนอัลลอฮ์ไม่ไม่ตายใช่ไหมอัลลอฮ์สูงสุด ข้อที่สองอัลลอฮ์เป็นผู้ปกครองข้อที่สามอัลฮักกุอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสัจจะนำแต่เรื่องจริงจริงจริงจริ ง, รงมาเล่าให้มนุษย์ฟังเรื่องโกหกเรื่องตอแหลไม่มีเลยของที่อัลลอฮ์เล่าเนี่ยจริงหมดเลยฮักทั้งหมดไอเรื่องฮักในตับซีดอาย่ยานี้ต้องการจะอธิบายมีทั้งหมดเจดเรื่องด้วยกันนะ ขอให้จำเลยนะอัลฮักกูที่ว่าอัลลอฮ์ทรงโศกสัจจะเนี่ยเล่าเรื่องจริงทั้งหมดนะเจเรื่องในตัสิทอธิบายไปเจ็เรื่องหนึ่งอะไรบ้างสัญญาของอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงนะอัลลอฮดูสัญญาของอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงนะข้อที่สองอัลลอฮ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลร บ, บุลอัลเมีนผู้อภิบาลแห่งสากลและจักรวาล อัลลอฮ์ดูแลคนตาอยู่ในกูโบเนี่ยบางคนก็ให้เน่าแล้วบางคนไม่ให้เน่าอ้าอยางไม่ให้เน่ามีใครบ้างฟาโรห์เห็นไหมรักษาไม่ให้เน่าแต่นอกนั่นก็นเล่าเน่ากันหมดนี่อัลลอฮ์รับดูแลรักษานะรักษาให้เน่าและรักษาไม่ให้เน่าฉะนั้นคําสัญญาของอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงเรื่องที่สองอัลลอฮ์รับผิดชอบดูแลโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวเป็นเรื่องจริง เรื่องที่สบรรด า, าศาสนทูตที่อัลลอฮ์ Allah ส่งมาสอนศาสนาเป็นเรื่องจริงใครปฏิเสธไม่ใช่มุสลิมเลยนะอิมุงอีมานขาดหมดเลยนะครับพี่น้องต่อมาเรื่องที่สสวรรค์มีจริงเดี๋ยววันหลังต้องอธิบายเรื่องสวรรค์อย่างเดียวอ๋อพ่ออ่านแล้วอยากทาความดีนะ่าดูเลยเอาต่อมาเรื่องที่หก นรกมีจริงอลัลลอฮ์เรื่องที่ห้าทีนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงเรื่องที่หกก่อนที่อลัลลอฮ์จะลงโทษใครก็ตามอาลัลลอฮ์จะทรงรอซูลมาสอนก่อนทรงข้อตักเตือนมาสอนก่อนทรงคนมาเตือนก่อนแล้วลงโทษทีหลังนี่เป็นความจริงนะฉะนั้นในยุคก่อนๆเนี่ยนะ อัลลอฮ์ย่างฟาโร่เนี่ยก่อนที่อลัลลอฮ์จะให้ฟาโร่จมน้ำอลัลลอฮ์ส่งใครมาก่อนนั บ, บีมูซามาก่อนมาสอนกี่ปีไม่ใช่ปีสองปีนะ20ปีอ่ย่ายงอั บ, บีมูฮัมมัดเนี่ยมาอยู่กับเรากี่ปี23ปีใช็นไหมแค่นั้นก่อนที่อลัลลอฮ์จะลงโทษเบาของอัลลอฮ์สักคนหนึ่งนี่นะ อ, อัลลอฮฺอัลกบะฏ อัลลอฮ์น่ะเมตตาสงสารนะสงนบีมาก่อนนบีมไม่มีก็สง่งโตะครูมาส่งอุลามามาเอาสอนสอนสอนสอนสอ น, สอนเห็นหถ้าไม่เชื่อแล้วนั่นแหละแต่ในยุคเรานี่เมตนานะคนที่ไม่เอาอิสลามคนที่ไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดนี่นะอัลลอฮ์ไม่ลงโทษขณะที่เขามีชีวิตอยู่แต่ทดลองบ้างเล็กๆน้ๆนนอยๆให้เตือนให้คิดแต่จะรีบลงโทษจริงๆหลังตาย อัลลอฮ์สัญญาณกับีกุรอานตามไดที่มีคนกลุ่มหนึ่งเดินตวารทิกาบ้าอยู่นี่นะคนที่ทำบาปทำชั่วทำซินาบนโลกดุนยาใบนี้อัลลอ์ยังไม่รีบลงโทษหรอกแต่คนที่ทรยศต่อพ่อแม่ที่อัลลอ์รีบลงโทษก่อนตายนี่นบีสอนสอนสอนไว้อต่อมาข้อที่เจ็ดอกุรอานถูกลงมาถูกประทานลงมาเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงหมดเลยครับ มันจะเจ็ดข้อที่8ข้อข้อที่8การลงโทษที่สุสานก็เป็นเรื่องจริงหมดเกินนี่ไงฟะตาะลัลอฮฺุลมาลิกุลฮั ก, กุนนี่เรื่องที่1เรื่องที่2องวาลาตาจัลบิลคุรานีมิ่งกับลิอ้ายุกบาอิลัยกวาฮยูแปลว่าอะไรครับแปลว่า มุ hammad ลาตาจลแปลว่าอย่ารีบเร่งอ่ามุ hammad เอยอย่ารีบเร่งนี่อัลลอฮ์สอนใครสอนนบีแล้วก็สอนพวกเราด้วยวันนี้คนที่อ่านกรุรานนะนะอายาเนี้อัลลอฮ์สอนนะอย่ารีบเร่งในการบิลคุรานในการอ่านอัลคุรานอ่านกรุรานเนี่ยอย่าอ่านที่ที่สอนนบีเราสอนอย่างงี้ มูฮัมหมัดเอ๋ยอย่ารีบเร่งในการอ่านอัลกุรอานก่อนที่วหฮีของฉันจะจบลงอย่าไปแข่งกับท่านญจบรีลอัลลอ์เนี่ยให้เจบรีลเอาคุรอานลงมาอ่านให้นบีฟังท่านญจบรีลเนี่ยนะอ่านคุรอานยังไม่ทันจบวักนบีรีบอ่านเลยอัลลอ์เตือนมูฮัมหมัด อย่าอ่านแข่งกับท่านยิบรีนนะนี่อลัลลอฮนะฺสอนนะสอนนบีและสอนพวกเราด้วยฉะนั้นคนที่อ่านควรอ่านเราต้องฟังสั่งให้นบีฟังยิบรีนอ่านให้จบก่อนเรื่องที่สองต่อมาครับพอฟังให้จบเสร็จแล้วก็ให้อ่านตามอย่าอย่าไปอ่านแข่งกับยิบรีนฟังยิบรีนอ่านให้จบแล้วก็ให้อ่านตามที่หลัง แล้วก็ท่องให้จํานี่อลัลลอฮ์สั่งกับนบีอัลลอฮฺอักบัดเห็นยังนบีอลัลลอฮ์ก็ยังเตือนเพราะนาบีเป็นคนใช่ไหมลวคนแบบนั้นก็คนแบบเรานี่แหละใช่ไหมถามว่านาบีรีบอ่านกุรอานทําไมทั้งๆที่ยิบรีนยังอ่านไม่จบก็ไม่เพราะอะไรกลัวว่าจะลืมกลัวว่าจะลืม อั <ال> ه, ัลลลฮมดิ الحمد لله الله بنا ولا تعجل بالقرآن من قبل มมัดเอายาอย่าได้นะอย่ารีบอย่ารีบเร่งในการอ่านอัลกุรอานมิงกอบลิก่อนที่อายุโบอีไลกวะฮิยุก่อนที่วาฮีของฉันจะจบลงน บ, บีเป็นห่วงกลัววา่าจะลืมใช่ไหม นบีนะกลัวนะสับสนกลัวไปหมดเลยเอลัลลอฮ์สั่งเองมามาเอยถ้าเครียดเป็นยังไงอ่านต่อไปว่ากุรอบิซิดนีอัลมาถ้ากังวลใจว่ากุรอ่านมันจะลืมลืมหลงไปให้ทำไงไม่ให้เครียดแต่ท่านมต่อไปให้ขอดูอา่าเห็นยังอลัอลลอ์อัลลอฮสอนละเอียดใช่ไหม ถ้ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะอะไรนะจะลืมอะไรหรอ่านจะหลงไปสักวักหนึ่งตอนหนึ่งแทนการเครียดก็คือให้ขอดุอารณ์แทนสอนเราด้วยวนันนี้อคนี่อ่านเรียนหนังสือเนี่ยทุกคนต้องเรียนหนังสือหมดนะทุกคนต้องอ่านหนังสือกันทั้งหมดบางคนกลัวว่าอ๋ออ่านหนังสือจะกลัวมันจะไม่จําถ้าเครียดแต่ทาไงขอดุอาร์ขอว่าไงครับ ว่ากุรบบซีดนีหาลมาอาลัลลอฮฺสอนเลยสอนวิธีการขอทุอาขอว่าไงนะโอ้อลัลลอพระผู้อภิบาลของฉันเอ๋ยโปรดเพิ่มพูนความรู้แก่ฉันด้วยเถิดใช่ไ ห, ไหมฉะนั้นคนที่เป็นนักเรียนอย่างเราแก่ๆนี่เป็นนักเรียนเปล่าเป็นนักเรียนครับผมเป็นนักเรียนอยู่ทุกวันนี้อ่านกรุกอ่านทุกวันพะอ่านแล้ว อัลลอฮุมะซิญญานีอิลมานอัลล์จะเพิ่มพูนความรู้ให้กระชานด้วยนักเรียนต้องขอดูอาเยอะๆอัลลอฮุอักบะด์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ดีมากๆเลยใช่ไหมเนี่ยมารยาของคนที่เรียนหนังสืออย่าเยอะยิงอย่าจองหองอย่าวดฉันแน่ฉันเก่งเพราะฉันเป็นฮาฟิสกลุ่อานมาแล้วใช่ไหมท่องอะไรจำบทไม่ใช่นาบีกับฟาฮฟิสนะยังอัชากฮฟิสนะฮฟิเต็มหมดเลยในโลกนี้นะ แต่ว่าอัลลอฮฺสอนอย่าให้ตะ ก, กรบทอย่าให้เย่อหยิงอย่าจองหองให้ทำไรให้ขอดูอา้าอัลลอฮฺจะรอบบิซิเนีมันอัลลอจะเปิดเพื่อนพูนความรู้ให้ให้ให้กับฉันด้วยเถิดคนกาเฟสนะคนกาเฟสท่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺกูอ่ลลานอันทยอยส่งลงมาทำไมทีละอายะทีละซูรไม่ถูกใจเลย มันต้องส่งมาเป็นอะไรนะเป็นเล่มๆส่งมาเป็นเล่มๆนี่กาฟเฟทา่ายาลอฉันไม่พอใจเลยกุ้อ่านทยอยส่งลงมารู้ไม่การทยอยส่งอัานกุ้อ่า น, นลงมาหมายถึงว่าส่งความรู้ให้กับมนุษย์นั้นทยอยส่งหรือว่าให้ครั้งเดียวเต็มเลยอ่ะเอาขนาดดีวกว่าทยอยส่งดีกว่าเหมือนกันเรามีลูกเราเป็นพ่อเราเป็นแม่ เรามีลูกสอนลูกวันหนึ่งร้อยเรื่องจำไ่มเพราะฉะนั้นนี่ไงวิธีการสอนคนอัลลอสอนนะสอนคนต้องค่อยๆสอนใจเย็นๆอย่าใจร้อนต้องการจะสอนว่าเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนครอบครัวเรานั่นพ่ออย่าใจรอ้อ น, อ น, อ จ, อนจะเปลี่ยนลูกให้นามัส บับนามาเลยอโล่ค่อยๆสอนไปก่อนลูกนะนามา ด, ดีอย่างนี้อธิบายไปก่อนสอนลูกครับคำว่าสอนลูกให้นามาเนี่ยไม่ใช่รูปนามาอย่างเดียวนะหนึำนำ่งอาบน้ํานามาเห็นไหมสองดูอาหลังจากอาบน้ํานามาสอนเรื่องเสื้อผ้าใส่อใส่สะอาดใส่แบบไหนอโล่เห็นไหมค่อยๆสอนหรือสอนวันเดียวหนึร้อยเรื่องเลยทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องละเรื่อ ง, ร, องรู้ไหม สอนทีละเรื่องเป็นไงลีนูซับบีตาบีฮีฟูอาดักเพื่อเราจะได้ทำให้หัวใยของท่านนั้นมั่นคงอัลลอฮบอกนบีมุฮัมมัด้ยนะอ่านกุรานนี่นะอ่านช้าช้านี่สอนพวกเราด้วยนะอ่านกุรานอ่านช้าช้าอ่านทิละวักทิละตอนแล้วก็รู้ความหมายของมันแล้วก็นำมามาปฏิบัติแล้วก็พิจารณาแล้วท่องให้จำแล้วก็ อย่าไปเครียดนะอย่าไปเครียดถ้าเครียดทําไงขอดวงอาต้ออลัลลอฮฺจ๋าอย่าลืมว่านะคนที่จะท่องจาํากุณอ่านได้เนี่ยไม่ใช่จําเองนะอลัลลอฮฺบรรจุความจําลงไปในสมองและหัวใจของเขาต้องขอบคุณอลัอลลอฮฺอิมรอนต้องดีเกตถึงลเลาะเยอะๆเพราะว่าไอความจามํากุณอ่านนี่มาจากใครมาจากอลัลลอฮฺมีอยู่หลายคนนะพอแก่แล้วเพลงลืมหมด แต่มีอยู่อย่างหนึ่งไม่ลืมคุณกรูรอรานอย่างอื่นลืมหมด o, อัลลอฮฺอัลบานลืมหมดเลยแต่มีกูร์รานไม่ลืมดวงอาไม่ลืมแต่มีอยู่คนหนึ่งนะนี่ก็เล่านะเรียกภรรยาเขาว่าทิรักที่รักทิรักเขาถามว่าทาไม้เรียกเธอที่รักกูลืมชื่นไปแล้วอัสซาฟิรลอร์อาลีนะดีไหมดีลาอัลลอฮเอ้าพี่น้อง ส่วลงว่าการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ฉันนั้นความรู้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะครับคนที่มีความรูอ้อธิบายนิดหนึ่งคนที่มีความรู้ต้องมีสิ่งสี่ประการประกอบเนี่ยอุลมะตะับซิดนะคนที่มีความรู้ต้องมีสิ่งสี่ประการประกอบถึงจะเป็นคนรู้ที่อัลลอฮ์รักข้อที่หนึง่งอไลลม์มูมาลอาดับ ความรู้คนมีความรู้ต้องมีมารยาทงามถ้ามารยาทไม่งามเนี่ยไปไงอัลลอฮฺอักบารสอนศาสนาไปสู่บุรีไปงามไหมอัลลอฮฺบุรีมัคคุร์อัลอฮฺมแวร์เพิ่งมาพูดฮารอมอย่างเงี้ยอัลลอฮฺมินางนั้นคนที่มีความรู้ต้องมารยาทงามมารยาทเหมือนใครเหมือนท่านนาบีอัลลอฮฺ o, สอนเลยนะ เรื่องที่สองคนมีความรู้ต้องอดทนคนมีความรู้ต้องอดทนเห็นสังคมผิดด่าเลยไม่ได้ให้โอกาสท่านเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ใช่ดา่าก็ไม่ใช่ต้องอดทนโอโล๋ลเอาก็บถาวะนบีอดทนสอนเรื่องเดียวที่นครมักกะกีปีสิบสาปีเห็นยังแล้วก็ความรู้ค่อยๆทยอยลงมา ไปอยู่ ม, มันมันดัหน้าปีที่หนึ่งเอารอบประทานอะไรมาเรื่องนามาเห็นไหมปีที่สองเรื่องถือสินอดทาไมไม่ประทานวูบหมดเลยละครเดียวแหละทําไม่ได้มันไม่จำํำนี่ทยอยส่งลงมาเรื่องที่สอะไลลมูมาอัตตารีคนที่เป็นนักนักอลุลามะคนที่เป็นอาเมอลมอุลามะมีความรู้นะต้องเรียนประวัติศาสตร์ด้วย เช่นประวัติสวาบ้านนาบีประวัตินบีทั้งหมดที่มาในโลกยี่สิบสี่ยี่ห้าท่านเนี่ยรู้ให้เยอะเนี่ยดีไหมออลลอฮฺ All o, เนี่ยความรู้พร้อมกับวิชาตารีกิกประวัติาศาสตร์ข้อที่สี่เรื่องสําคัญมากครับพี่น้องมีความรู้แล้วต้องอ่านสถานการณ์ให้ออกออลลอฮฺ All o, นี่อ่านสถานการณ์เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะมีความรู้ต้องอ่านสถานการณ์ให้ออกนะครับพี่น้องอ้าต่อมากับอายาที่ สิบห้นรอยสาอยัสุดท้ายสิหกไม่ทันแล้วล่ะนะว่ล้ก็อาฮิดนาอิละอาดามาในก่อนฟานาซิอาวะลัมนาจิดลาหูอัลมาว่ล้ก็อาฮิดนาอิละอาดามาในก่อน ฟานาซียะวะลมนาจิดลาหูอัมาสาเหตุที่อัลลอฮ์ลงอายานี้เพราะนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะรีบอ่านคุรอานท่านยิบรีนอ่านยังไม่ทันจบนบีอ่านก่อนเพนาราะนบีกลัวลืมลืมเป็นยังไงต้องการจะอธิบายนาบีอะนบีมุฮัมมัดคิดนบีอาดัมเลยนะตอนเนี้ย ตอนที่อ่านพร้อมกับยิบรีนน่ะนึกถึงนบีอาดัมอัลลอฮฺให้ความรู้กับกับนบีเรื่องนบีอาดัมอ่ะที่นบีอาดัมไปอยู่ในสวนสวรรค์แล้วก็เข้าไปกินผลไม้หรือว่ามะเล็ดต้นไม้ในสวนสวรรค์นั่นอ่ะกินเพราะอะไรเพราะนาบีอาดัมลืมนบีก็เลยเป็นห่วงอ่ะลืมแล้วมันมีโทษสมัยก่อนนี่นะคนลืมมันรอเอาโทษนะ แต่สมัยเรานี่ลืมไม่เอาโทษคุณอ่านตรงไหนครับโรบานาลาตูอาคิสนาอินนาซีนาอาอัคโตนาออลเราจะสิ่งที่ฉันทำด้วยความเผลอเร่ด้วยความไม่รู้ด้วยลืมหลงหลงลืมลืมเนี่ยอย่าเอาโทษะเลยเอัลลอ์ไม่เอาโทษคนทำอะไรลืมกำลังถือบวชกินน้ำเสียเสียบวตไหมไม่เสียใช่ไหมไปกินข้าวจานยึงแล้ว เสียไ้มไม่เสียอัลลอ์ลืมด um um really ีัหยดีแต่สมัยนบีอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์เอาโทษลืมอ่ดูคำอธิบายวะละกอดอาฮิดะนาโดยแน่นอนยิ่งเราได้อาฮิดะนาแปลว่าเราได้ให้คำมั่นสัญญาคืออัลลอฮ์นะทำสัญญานะรู้เป่าสัญญาที่อัลลอฮ์ทำฉบับแรกเนี่ยกับพวกเรากับมนุษย์เนี่ย ตั้งอยู่ในอัลัมอรวะอัลลัมอรวะทำสัญญากับพวกกับนบิอาดามกับมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยว่าจะไม่เคารพพระดีสิ่งอื่นใด น, ใน อ, อกจาก Allah. อัลลอฮ์เอ้าต่อมาครับอัลลอฮ์ทำสัญญากับนบีอาดามนะถามว่าไงมิงกอบลีตั้งแต่อดีตมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้ามาแล้วทํากับพวกเราด้วยนะ ทำกับนบีอาดัมทำกับนบีทุกนบีทำสัญญาเสร็จแล้วนบีอาดัมฝ่านาเสียแปลว่าอะไรลืมนบีอาดัมลืมคืออัลลอฮ์บอกกับ น, นบีอาดัมว่าอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ตนนนะ้นนีนะเนี่ยสัญญาฉบับที่สองแล้วนะอาดัมเอย๋ยอยู่ในสวนสวรรค์ของฉันเนี่ยอยาก กินอะไรนะมาเล็ดต้นไม้ต้นนี้อย่าเข้ากล้าต้นไม้ต้นนี้แล้วต่อมานาบีอาดัมไปกินอ้างว่าไงนะอัลลอฮ์เล่าเองฝ่งนาน้าสิยเพราะนาบีอาดัมลืมนบีมุฮัมมัดรีบอ่านกุฎอัรอานพอจิบรีรนมาอ่านให้น่ะเพราะกลัวลืมไงเลยรีบอ่านก่อนอลัลลอฮ์ก็ บ, บอกมุฮัมมัดได้ที่นบีอาดัมลืมน่ยเป็นอย่างนี้ วลำนาจิดละหูอัซมาเราไม่พบลำนาจิดเราไม่พบว่าที่นบีอาดัมไปกินผลไม้หรือว่าเมล็ดพืชนี่นะ เ, เขาไม่มีเจตนาจะขัดถืนคําสั่งของเราเไม่มีเจตนาอาลัลลอฮ์รู้เลยว่าเจตนาของนบีอาดัมไม่ต้องการที่จะขัดขืนคําสั่งของอลัลลอฮ์ นี่รองรังต่ บ, บียรุดอาเลยดีไหมส่วนวม่าเช่นาบีที่ทำวันนั้นน่ะทำพราะความลืมหลงลืมใช่ไหมแล้วก็ต่อมานาบีอาดัมบ่าขอดูอารองให้ตลอดเวลาเลยด้วยเหตุนี้น่ะวันที่วันวั น, ว, น, ว, นวันกิยามาน่ะประชาชนพอฟื้นขึ้นมานะวิ่งหานาบีมูชาฟาไอ้ชาฟาหนะ่ะขอชาฟาไปหานาบีอาดัมก่อนนาอดาดมไปไ ป, ไป ฉันคดีติดตัวอยู่นี่ไปหานาวีคนอื่นคนอื่นคนอื่ น, น, นพ่อไปกินผลไม้นะนึกอยู่ตลอดเวลานี่ต้องการสอนเรานะคนที่ทำอะไรผิดต้องจำความผิดของตนเองให้ดีทำมากี่ข้อทามากี่เรื่องแล้วละ่ะได้ของดีมาต้องไปจำหรอกฉันนมาตะหัดยุ่อยู่สามคืนเดือนที่แล้วบนอยู่นะะั่นหลับคุยอยู่นะเมียฉันเก่งไหมนมาตะหัดยุดสามคืนอาทิตย์ที่แล้ว เอาล้ไอ้ของดีไม่ต้องไปคุยถ้าจะคุยก็คุยเรื่องได น, นะจำเรื่องชั่วชั่วที่เราทำเอาไว้ดีไมด่ดีดีมากๆเลยครับพี่รอดทั้งหลายเอา้า ก, ก, กอุรอานายาที่ต้องการจะเตือนว่างไงนะเพราะชัยตอนนี่แหละยุให้อาดามกินผลไม้มันยุอย่างนี้อิบลิษพูดแปก ว, ว่าอินอักลาตาฮคุลิตตะฟิลจันนะถ้าคุณกินผลไม้ตน้นนี้หรือมเมล็ดพืชนี้นะ คุณจะอยู่ในสวรรค์ตลอดไปเอาเๆๆๆแต่ที่เขาบอกอธิบายนะขยุผ่านภรรยาก่อนแล้วภรรยามาเป่าหูทีหลังใช่ไหนพวกเรานี่จะเสียกับเพวกภรรยาก่อนมีไหมมีจะเข้าสวรรค์เพราะภรรยามีไหมมีเป็นภรรยาของใครวามุสอภรรยาของอะไรนะอบะับบุญแล้วครับโอ้ย ทำมาล้ตทีลัล่งอันางเนี่ยแบดฟืนใส่ไฟยุให้สามีเป็นศัตรูกับท่านนาบี ม, มุฮัมมัดแล้วเป็นไงตกนรกทั้งคู่ทั้งเมียและผัวเลยจะนั้นภรรยามีสวนทัางไม่คนเข้าสวรรค์หรือตกนรกก็ได้จะนั้นเลือกแต่งงานกับหญิงที่มีอีมานแบบนางอาซียะผัวตกนรกเมียเข้าสวรรค์ Maka walaupun kita s u b h a n a l l a h u m a bihamdi kasyolah ilaha illa Anta Astaghfirullahu b i l a i h Bismillahirrahmanirrahim.